เป็นเรื่องราวที่พูดถึงบางลำพูนะคะเรื่องนี้ B ก็จะขออนุญาตนามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันเป็นเรื่องของประวัติแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของบางลำพูบางลำพูที่ว่านี้เนี่ยบริเวณนั้นเคยเป็นทุ่งกว้างแล้วก็มีกำแพงเมืองแล้วก็ป้อมพระสุเมรด้วยแล้วก็มีวังอยู่นะคะก็คือกรมวังหลวงจักรเจสดาพระอนุชาในรัชกาลที่หนึ่ง